กันเตรียมนั่งสมาธิการนั่งสมาธินั่งให้สบายจะนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาพับพับขาซ้ายมือขาวาวางพับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหรือจะนั่งพับเที่หรือท่าใดก็ได้ที่ตนสบาย เมื่อนั่งแล้วให้ตรวจดูให้หายใจยาวๆดูว่าเรานั่งสบายแล้วหรือยังเมื่อตรวจดูว่าเรานั่งสบายแล้วก็กำหนดจิตกำหนดจิตให้รู้ลงที่จิตของตัวเอง และพยานได้ว่าขณะนี้มีเราตัวคนเดียวในโลกหนึ่งไม่มีสองให้กำหนดรวมที่จิตของคนเองเท่านั้นเมื่อเรามีความตั้งใจกำหนดจิตของเราเองอาการกำหนดรู้ โลตัวนั้นเป็นพุทธซึ่งมาออกซึ่งออกมาจากธรรมว่าพุทโธที่เราท่องอริยธรรมภาวนาอยู่ื่อการกำหนดรู้จิตเฉยๆมันยังไม่ทัดเจนก็ให้เลิกพ เมกว่าขณะนี้มีใจจิตของเรากับพูดโทสองอย่างเท่านั้นอยู่ด้วยกันแล้วกระทังใจให้แนวแน่ว่าเราจะลงนลกก็ขอไปกับพูดโธขึ้นสวรรค์ขอไปกับผู้โธแต่ถึงนิพพานก็ขอไปกับพูดโธ ตั้งใจบริกรรมภาวนาโพโตโพโตโพโตอยู่อย่างนั้นเพียงแต่เลิกโพโตด้วยกิริยาเบาเบอย่าไปกลอย่าไปบังคับจิตแต่ประคองจิตให้เลิกโพโตโพโตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ก็ให้สังเกตุขนาที่เราได้นโค้ชโฮอยู่นั้นถ้ารู้สึกว่าใจของเราเบาเิลดของเราเบาหายใจโล่งอกโล่งใจสบายนันแสดงว่าสมาธิของเรากำลังจะเกิดแล้ว ใจบริกรรมภาวนาไปเรื่อยไปบางทีขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่กายเบาจิตเบาแล้วก็เกิดความสงบกายกายสบายหายเมื่อหยอหายมึนหายชา เป็นสุขสบายทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็สงบจดจออยู่กับบริกรรมภาวนาตลอดไปแล้วก็มีอาการอิ่มอิ่มไปอิ่มอยู่ในจิตจิก เริ่มมีความแจ็มใสเบิกบานแล้วก็ดนเดินเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยละน้อยเมื่อจิตสัมผัสสติเดเสริมเป็นอาการที่เดชตึงรดพระสัตธรรมบางทีอาจทำให้ จิตของเรามีความลิงโลกเปิดบานแจ่มใสทำกายให้สั่นขนหัวลุกขนหัวตอบบางท่านรู้สึกว่าตายโยกโกบางท่านตัวสัน่นมีความรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนอากาศเจ็เริ่ม มีความสว่างความสว่างค่อยแผ่ต้านไปทั่ว ก, กายแล้วกยย็กลุ้มตายถึงนั่นแสดงว่าการภาวนาของเรากบลังจะได้ผล อ, อีกของเราจะบริกรรมภาวนายังไม่ถึง สติลูกพร้อมอยู่ในขณะจิตที่บริกรรมภาวนาอยู่แล้วเกิดอีติตังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตมีความสุขเมื่อจิตมีปีติความสุขอันเป็นผลปล่อยได้ย่อมบงังเกิดขึ้นในอนันดับต่อมา แล้วจิตจดต้องอยู่กับบริกรรมภาวนาแล้วในที่สุดบริกรรมภาวนาจะค่อยจางหายไปหายไปลมหายใจปลาสุดขึ้นมาจิต ย, ย็ดอารมณ์หายใจเป็นอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งละเลิกของสติ แม่บริกรรมภาวนาคือพุทโธหายไปก็ไม่ต้องไปมึกพุโทโธอีกให้กำหนดรู้ลมหายใจบางครั้งลมหายใจอาจจะแสดงอาการหายใจแรงมีอาการใกล้ๆกับคอก็ให้กำหนดรู้เฉยอยู่ บางครั้งลมหายใจค่อยแถวลงแถวลงมองเห็นความสว่างแห่งลมหายใจที่วิ่งออกวิ่งเข้าเป็นเรายาวก็ให้กำหนดรู้อยู่เฉยเฉยอย่าไปเอะใจอย่าไปตื่นใจอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ให้ดูดเฉยเ ส่สำคัญที่สุดก็คือลมหายใจแ่วๆๆจนรู้สึกว่าไม่หายใจก็ให้กำหนดรู้เฉยอยู่เพราะมันเป็นอาการของจิต่สงบละเอียดลงไปเรือยกายก็ละเอียดลมหายใจก็ละเอียด จนกระทั่งลมหายใจหายวัดไปตายก็หายไปด้วยจิตไปนิ่งระวังรู้ตื่นเบิกบานโค้ชาโู้รู้โค้ชาโู้ตื่นโค้ช่าโู้เบิกบานมังเกิดขึ้นในจิตของผู้พาน อันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิในขั้นตน้นเรียกว่าผสมสมาธิว่าโดยจิตก็เป็นปะสมมัจจิตว่าโดยวิญญาณเป็นผสมวิญญาณเพราะรู้อยู่เฉยๆว่าโดยใจก็เป็นมโนธาต โดยองค์ประตอบตว่าโดยสมาธิก็เป็นอัปปนาสมาธิว่าโดยทานเป็นอัปปนาทานว่าโดยจิตเป็นอัปปนาจิตนี่คือจิตแท้จิตตั้งเดิมของเรา ที่โบรานอาจารย์สอนให้เราภาวนาให้จิตสงบลงเป็นสมาธิเป็นหลหรือเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานตัวให้ผู้ภาวนาทั้งหลายได้รู้ว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมของเราเป็นอย่างไรจิตที่เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้กตักบานเป็นอย่างไร นี่เป็นตัวมุ่งหมายของการฝึกสมาธิในเบื้อตนทุกคนจะทำได้เช่นนั้นเทียวหรือทำได้ทุกคนถ้าทำจริงวิธีทำจริงก็คือว่าให้ตั้งใจแน้วแน่ต่อปริทรมภาวนาที่เราเึดยเป็นอารมณ์จิต ทำตามลังเลสงสัยใดๆทั้งสิน้นในไปกลัวว่าจิตจะไปติดสมถะติดความทังไม่ต้องกลัวเวลานี้เรามาหัดภาวนาเพื่อให้จิตมีสิ่งที่ติดให้เหนียวนั่นเมื่อจิตของเราไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างเง้ยวแน่นแน่วแน่เธอก็ไม่ไปกังวนตัดสินอื่นไม่ไปยึดในสิ่งอื่นมายึดอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวจะยึดอยู่แค่ตัวู้รูตนผู้บบาน เลี้ยงโลยูที่ตนของตนเองผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกาก็คือจิตของเราจิตของเราเป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเรามีตนเป็นเกาะคือเป็นที่ทักจิตจิตของเรามีตนเป็นตัวของตนเอง ให้ก่เกลียดปฏิปิญญใดให้เทศกบแนวแม่จากนี้บ่อยๆเปิดกันค่องตัวจนทรรมนิธทรมนานเปิดให้มากโปรแกรมให้มาถ้ายิ่งเราทรรนานในการเข้าสมาธิในการออกสมาธิหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง ทานานในการเข้าฌานทานานในการออกจากฌานการปฏิบัติทันใดซึ่งมันเป็นไปคร่องตัวชำนิชำนานท่านเรียกว่าวสีทำนานในการกาหนดรู้อารมณ์จิตทานานในการตามรู้อารมณ์จินนนต ทำนานในการเข้าสมาธิทำนานในการออกสมาธิทำนานในการยับยั้งสมาธิให้อยู่ในขั้นนั้นๆตามที่ต้องการอันนี้เรียกว่าความทานานหรือความคล่องตัวเราจะเกิดความทานานแต่ความคล่องตัวได้เพราะเราหมัน่น เราขยันพาวิตาอบรมให้มากพอพอโอรีกรตากระทำให้ต้องเท่าให้ทำ น, นีิทำลายพอทำได้บ้างนิดกๆใจอยยังไม่คล่องยังไม่ทำ น, นิทำ น, นานก็ไปกอละเราเอาแค่นี้พอแล้วจะได้ทำหนอไม่ <c oughs> ทีนี้พ่อสังกฤตในการนั่งสมาธิในการภาวนาดีในบางครั้งระหว่างหัวเลียวหัวต่อที่จิตจะเข้าสู่สมาธิ น, นททะเวทนาต่างๆมันดำเขือนัวดแก้งปวดขาเน็ตปวดหลังปวดเอวสียะมึงงอน ก็นั่นั่เหนื่องนั่ขันธานมันกําลังบางเกิดขึ้นนขันธมานบางเกิดขึ้นกิเลสสะมานมันก็บังเกิดกิเลสสะมานตัวนี้ก็คือตัวนิวรณนตามขันธ์พาเี๋ไปในความสบาย ในมเมื่อกามมาฉันทะขึ้นมาจิตที่จะล้มล้มเลิกในการภาวนามันก็เกิดขึ้นแต่เป็นเช่นนั้นความลังเลสงสัยมันก็บังเกิดขึ้นไมาอีกความห่วงเหงาหาวนอนมันเกิดขึ้นมาอีกที น, นี้ความสงสัยมันมีความรุนแรงขึ้นอีกมันก็เทียงกันสอบภาวนาต่อไปไม่จะหยุดเทียงแผ่นนี้ จะเอาแค่นี้หรือจะเอาต่อไปเสียงกันไปเสียงกันมาถ้ามันโตเตียดไม่ได้โตนิวมไม่ได้เกียดต้องก็ตัดสินใจว่าเอาลกแค่นี้แล้วก็หยุดเลิกภาวนาทายาปาทะตู่ปานตัดรอนคุนงามวามดี มันก็ทําหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่เราก็เป็นผู้แพ้แต่เราแคพ้บ่อยกิเลสมันก็เคยตัวมันก็ปกตีตรงเหตุเราได้มันก็ปกติสงเหตุเรื่อยไปดังนั้นเราต้องพยายามต่อตู้และปราบมันด้วยสันติความอดทนตอนไปจนกว่ามันจะกนไม่ไหว เมื่อคนในท่านี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนผ่าใหม่ไปกกำหนดภาวนาในผ่าใหม่นอนก็ได้ยืนก็ได้นั่งโดนก็ได้เราจะนั่นท่านจึงให้มีการเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้เปลี่ยนในขนาดที่เราสู้ขันธมารกิเลสมารไม่ได้พีแรกเรานั่งสู้มัน่นนั่งสู้ไม่ไหว เราลบเป็นมาเดินสู้มันเดินสู้ไม่ไหวเดินสู้มันแต่เดินสู้มันไม่ไหวก็นอนสู้มันบันในขณะที่นอนสู้มันมันอาจจะแค่ก็ได้แค่ก็ช่างมันแต่เราพยายามที่จะต่อสู้มันด้วยไปเรื่องพิเเรื่องของโลก เราได้สูตรผลอบรมมาจนกล้องตัวเหมือนกันแต่มาที่ภาวนาเรามาเริ่มใหม่เราจะมาสูตรผลอบรมใหม่ๆที่เรืองอำนาจตายตันที่เราปล่อยตีดปล่อยใจให้เกินไปตามอำนาจของมันมานานแล้วจงมันต้องตัวหลบหกบห้ง อะไรต่างๆมันเป็นกิเลสที่เราฝูกฝน อ, อกรมมันมาโดยไม่ได้ตั้งใจเกิดและรับมโน เ, เข้ามาจนมามันมาเป็นเจ้าเรือนแล้วเราจะขับไล่ไสสใส่โมมโนไปง่ายๆ ย, ย, ย่อมเป็นไปไม่ได้เราจะนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติ โดยมอบกายสบายชีวิตมูชาต่อพระพุทธเจ้าแระทำประสงค์ต่อคุณนงามกานดีเพราะว่าอุปายวิธีอันนี้มันเป็นวิธีการดับไปนรกเมื่อเรามาปฏิบัติปฏิบัติพ่อมีศีลบริสุทธิ์มีจิตบริสุทธิ์มีกัญญาอันบริสุทธิ์ มันก็เป็นอบายดับไปนรกพันปีดังนั้นขอให้ทุกท่านตรงจงตั้งใจจริงปฏิบัติกันจริงจริงอย่าทำรอแหละไม่ต้องไปไฝ่ฝ้าปันที่ไหนหาใจหาความดีในจิตในใจของเรานั่นแหละ เองขอให้พยายามให้มันได้สมาธิในพัตน์ตนจูปารยสมาธิอัปปนาสมาธิเมื่อเราทำได้แล้วคคมจิตคคมใจของเรามันจะขยายวงกว้างออกไปเองเรามีศีลบริสุทธ์สะอาเป็นเคื่องบกรมสมาธิ <c oughs> เรามีสมาธิที่มีจิตมั่นคงต่อการทำความดีมันเป็นรูปายให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าจิตเป็นสมาธิแล้วนะมันจะไม่เกิดความรู้ไม่เกิดปัญญาขอให้ทำให้มันได้แต่เราทำจริงมันก็ทำมันก็ได้จริงๆ อย่ามาทำแต่เวลามาเข้าปฏิบัติในส่วนโดยเฉพาะเวลานั่งสมาธิผ้าเดียวภายในจะภาวนาโพธิ์พอไยืนนั่งนอนรับการเดินทาภาวนาพโพธิ์ได้ตลอดการโพธิมีสติคล่องแคล่วไว้ดีแล้ว ไม่ต้องภาวนาโธโทกำหนดตามโลกตามเดูนเมินนั่งนอนรับกานึื่งทำพูดเิปป็บพวกขัาจิตพกกลมหายใจแวนวสมาธิมันจะบางโตขึ้นมาเองไม่ต้องสงสัยปัญหาที่ว่าทำอย่างไรจิตจริงจะได้สมาธิเร็วทำตอท่อก็จะว่าทำให้มันมากมา ไม่มีที่ไหนเขาจะสอนให้ได้สมาธิอย่างเร็วๆไม่ดีเราพุทธใจเจ้าท่านไม่ด้ว่าและไม่ได้คอยท้าทายกับบุคคลผู้ดใดใคผู้หนึ่งอปกปฏิสัยบนบา ร, รมีของคนมันต่างๆกันไม่เหมือนกันบางท่านปฏิบัติได้แต่กรรลุได้ไม บางท่านปฏิบัติได้แต่บรรลุยาก <c oughs> บางท่านปฏิบัติยากแล้วบรรลุจาก่วย <c oughs> บางท่านปฏิบัติยากแต่บรรลุง่าย <c oughs> มีกุศ <c oughs> การแบ่งท่านแห่งอมบามีของแต่ระบุค <c oughs> แลวันนั้นอย่าไปนีดเลย ตั ing, Adams, JB, ้งแตาปัจ hmm. จัยเย็นเยนโพโตโพโตโพโตโพโตโพโตโพโตอยู่ในจิตของเรานั่นแหละในเมื่อเมานี่โพโตโพโตโพโตโพโตโพโตโพโตไม่อยู่จิตมันไม่มีท่องามันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปคิดสร้างบาปอกุศลที่ไหนเพราะมันอยู่ในโพโตแล้ว เมื torture, like anyway, ่อภาวนาผู้ทอหนักหนาเท้าผู้ทอวิ่งเข้าไปอยู่ในจิตจิตกายเป็นผู้ถูตลมผู้ท่าผู้โอ้ผท่ผู้ตื่นผู้ท่าผู้เกิดการดังที่เปล่าเปล้วการตั้งธรรมะการเรียนธรรมะเรามีความรู้จากการตั้งมีความรู้จากการเรียนมีความรู้จากการอานหนังสือมีความรู้จากประยุตการ เรามีภูมิความรู้ที่จะพูดจะคุยอวด ก, กันได้ดังนั้นแต่ว่าการปฏิบัติของเรามันยังไม่ถึงขัง้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะขยันขันแข็งเอาจีเรียกเาและเงินทองมองเห็นดูเราก็ยังเอายากเหลือเกินคุณธรัมซึ่งมันเป็นคณนคณะทัน ท, ที่เกิดชื่ในจิตในใจมองไม่เห็นด้วยตา แกจะรู้ด้วยจิตเท่านั้นมันก็ยิ่งจะเอายากเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดอยากได้คุณนมาทำก็ต้องทําให้มันแน่วแน่เกตุธรรมให้มันแน่วแน่คือทําอย่างไรแต่ภาวนาผู้โตผู้โตโยศหมอภาวหมอสัมมาระหังปุพพ์มันอยู่ตลอดที่สิบสี่เที่ยงโมงนั่ะมันเป็นได้ไปได้อย่างไรภาวนาตลอดที่สิบสี่เทงโมงเนี่ย เป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปได้จริงๆเราภาวนาด้วยความตั้งใจพโตโพโทโพโตโพโตเมื่อเกิดารเป็นสมาธิดีแล้วนี่เวลาเรานอนลงไปรอภาวนาโพโตโพโตโพโตโพโตพอโพโตแล้วไปทราบว่ามันหลับได้แต่เมื่อไหร หลับไปแล้วจิตยพยายามาวดาพู้โตพู้โตพู้โตอยู่ตลอดจนแยกหลุมทำให้ผู้ภาวนารู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับตั้งแื่แต่แท้ที่จริงตางมันหลับได้เป็นอย่างดีแต่จริตพันไม่หลับเพราะต่อตายหลับลงไปแล้วเมื่อก่อนธรรมดานี่เรานอนหลับนี่เราหลับทั้งกายหลับทั้งจิต แตนเมื่อนักภาวนาที่ทำสมาธิเก่งแล้วสมาธิมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อรอนับจงไปยแล้วตายมันหลับใตจิตมันตื่นไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนนั่นเป็นธรรมชาติแห่งคนนุณธรรมคือพุทธเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนาจะเป็นแบบนั้น เมืองนั้นเจงได้กล้าใช้คำว่าภาวนาโพธอ์ลอยตลอดที่14ชั่วโมงเพราะมันได้เป็นไปแล้วถ้าท่านผู้ใดจะพิจารณาอะไรเช่นพิจารณากายปัจจิตก็ต่างใจพิจารณายังโสเอกาโยโกายของเรานี่แหละอุธธาาดทางปารัตตาเบื้อง บ, บนแต่เพื่อเ้าสุมา พอแกสามัคคีเรื่องต่างแต่ลายผมลงไปแต่จากปริยันิโตมีหนังห่อหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอดปูโรนานัปการัตสุสิโตจนไปด้วยของไม่สะอาจมีสการต่างๆเกตาตือผมแต่แกสิ่งที่เป็นเส้นแต่งเปิดวันศีสัน มเมื่อร้อยก็มีสีดำเมือแกมาเปลี่ยนเป็นสีขาวเป็นของปฏิกูลหน้าเปโโโลียดโโกเราเกิดอยู่ใดที่สก ป, ปรกโขกค้นแค่ก็ด้ว ย, โโ ย, ยขวุนโคลนิดโู้ที่เป็นเจ้าก็ต้องคอยบริหารรับสารต้องตัดต้องดั ด, ต, ด, ดต้องแต่ง ก็ด้วยตัวระดับด้วยอหออ้อมที่ทำเช่นนั้นก็เพราะผมมันเป็นจริงปฏิพูลหน้ า, กโโคโคาเกลียวโศกรอมาฝนเคยจุพัวร่างกายเว้นฝ่ามือและฝ่าเท้า มีโดนเข้ไป ใ, ในร่างตายเป็นของปฏิกูลหน้าเปลื โ, โกโสมก็ติดอยู่ใดที่สกปรกโสมสุ่มแค่เอ้วยสโสมโหิตเราจะต้องทำตามตาจุ่มเสมอหน้าขาแนทเกลียวปลายนี้วมือนี้วเท้าทั้งยี่สินิ้วเราใช้หยุดจับติ่จต่างๆ ทำให้ตูต้องกระ้องตัวโปต้องแก่ต้องแพโมุมเละทำาวามสะหาดล้างด้วยสบู่ตัดรอยอ้อไว้ก็ดำเหมนตาเมืนสางเป็นสิ่งที่เกิตูกน่าเกลียดเก่งนักมันตาฟันเกิดตัวในหัวข้างบนและข้างล่างเราใช้สำหรับเชี่ยวบดอาหาร เป็นของโสโกรตปฏิกูลแล้วเกิดอยู่ในที่สโคัตสุนแทก ร, ระโดดถูโพโลหหตน้ำลายแล ะ, ะเศดอะไรต่างๆเราต้องคอยทำความาะอาดคอยแกะคอยแทะ ค, ค, คอยแปลงพันถาปลยไว้กสโครตปเหม็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดจริงนักต่างตัวหนัง เป็นส oh ิ่งที่ห่อหมอยู่ทั่วร่างกเมื่อเวลาเหงื่อไหลออกปาในกายก็ทำให้ผิวหนังสกปรกเป็นที่ใส่เราจะต้องหากน้ำแป๊ะแมูประดับโตแทงที่ไหนมันดำดำดำดำโตแป้มัก็ต่อใหรมันให้มันมองยเป็นผิวเสมอตัน ที่เราทำเช่นนั้นก็เพราะมันเปนของปฏิปูณหน้าเปโโโลี่ยโสก็ถอดไม่ก็เหม็นสาบเหม็นสาหน้าเปลี่ยนิ่ัดให้พิจารณากลับไปกลับมาพิจารณาสี่ทั้งห้าที่กอนเอสาโลมาหน้าผาทันตันเป็นกรรมาฐานเบ้องต้นที่ล๊อกบัวทรักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องรีบเร่งพิจารณา ให้เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงอเป็นของปฏิปูว่ราว่าสิ่งทั้งหานี้เป็นต้นไม้แห่งความสวยความาคนเรามันมาจิดกันอยู่ที่สิ่งทั้งห้าดี้นะ ตนที่มีผลงามเขาก็เรียกว่าขนงามมีผลงามก็เรียกว่าขนงามมีเล็บงามเขาก็เรียกว่าขนงามมีตางามเขาก็เรียกว่าขนงามมีหนังงานเปลืยกเท้าสหสีเขาก็เรียกว่าขนงานในแต่เราไปมีความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของงามขอสวยเราก็เกิดความใสลยินดีไปหลงรักหลงชอบ ว่าฉะนั้นเพื่อเป็นอุบายประจัรสาพระความกันหานจินดีพระพุทธเจาตั่งจิมสอนให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างน้อยให้เกิดศรัทธาที่โมกคือการนอนใจเทือเพียงแต่อ น, นอนใจเชือเท่านั้นมันก็ทำให้จิตเมาบางไปแล้ว อะไรจะพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณาซ้ำซ้ำตาตถอยไปถอยกลับพิจารณาตั้งแต่ฝนเล็ดฟันหนังพิจารณาจากนันมาฟันมาเล็ดมาผนมาผลยอนกับไปกับมาอยู่อย่างนั้น ใจจิตมันน้อมเลิกว่าเป็นสิ่งปฏิคูณไม่สวยไม่งามเป็นสิ่งที่น่าเกลียดโต๊โต๊โตโต๊เมื่อพิจารณาไปพอสมควรแล้วบางครั้งจิตมันอาจจะสงบลงในถ้ำกลางแห่งการภาวนานแล้วมันก็หยุดพิจารณาเมื่อมันหยุพยิจารณาไปเน่งรู้สวยดูกำ ห, หนดตัวผู้ร ในเมื่อขณะกำหนดตัวผู้รู้จิตมันจะหยุดนิ่งอยู่ความรู้อยู่ยอย่างมั่นหลยอย่าไปลดตัวมันน้ําใจมันกําลังจะนิ่งในเม่อน้ําใจมันนิ่งไม่มีเพื่อไม่มีพอกคือไม่มีอารมณ์มารบพวนเราก็จะสมอสามารถมองเห็นจิตเห็นใจข อ, องเราได้ทะลุ โปร่งเหมอนเหมืนตัน้ทะเลที่มันนิง่งเราสามารถมองเห็นตาดาบวยสายสาลายู่ใต้น้ำได้ถ น, น, นัดนใดในเมจิต้องลองมันนิง่งรู้ตึงเบาบางเราก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างในจิตของเราได้อย่างชัดเจน อะไรมันปุดตื้นมาจิตจะกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติธรรมชาสของจิตมันจะไปอยูนิ่งอยู่นานๆไม่ได้แเดียวมันก็คิดใน่วมันถ้ามันกิความคิดขึ้นมาปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ เิ่งที่มันคิดนั้นจะเป็นอะไรก็ได้รวบตัวเรื่อง่านเลือกาเรรอบปู่ปรวบคนจิตวิปัสนาสารพัพที่มันจะคิดขึ้นมาในเมื่อมันคิดเป็นมาอย่างนั้น่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามโนโลโลโลโลโลโ ล, โ ล, โ ล, โลไปเป็นการส่งเสริมให้จิตของเรามี <c oughs> พลังเขมต็ม เพราะความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดสติปัญญาจินตามิจฉาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นได้จากความคิดโมกต์มีความคิดสติสัมปชัญญารู้ร้อนอยู่พุก刹那จิตความคิดสะพัดเลวไหลนั่นแหละมันจะกลายเป็นปัญญาในสมาธิ ละจิตของเราคิดแล้วจะรู้สึกแต่ว่าเพียงแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วก็ปล่อยวางไปเมือจจ่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กาจึงกลายเปัญญาเมื่อเกิดมีปัญญาก็สามารถกำหนดหมายรูปความคิดว่าไม่เกี่ยงเป็นภพเป็นอนัตตาและก็รู้กระจกลรัศมี ม, มา เป็นปัญญาในท่้นวิปัสนาเท่านั้นเองเราจะรันจะต้องใจต้องใส่ดูทบไยหมอหรือแรงบำเพ็ญภาวนาให้มันมากมาให้มันได้สมาธิเป็นเมื่อง้นทีนี้ถ้าว่าท่านผู้ใดที่เกียดหรือไม่มีอะไรที่จะมาคิด h ห้กำหนดจิตรู้ที่จิตเฉยๆถ้าจตวาที่ความว่างถ้าจิตติดรู้ที่ความติดว่างรู้ที่ความว่างิดรู้ที่ความติดไล่ตามกันไปจากนี้เราเปิดตาจะจนตั้งตัวจทำนิชทนานทีหลังเราอาจจะไม่ด้ตั้งใจกำหนดรู้อารมณ์จิตหรือตามของเรา เมื่อเจิตมีความคิดอันใดสติมันจะโล้ร้อนอยู่ไดในสถานที่คิ ด, ดนั้นนแสดงว่าพลังของสติของเรากําลังเริ่มแล้วเมื่อจิตนี้สติสัมปชัญญะรู้ร้อนอยู่ที่จิตพอจิตมีความคิดสติจะทําหน้าที่ตามโูคอยควบคุม เมตตาเกตั้มไดจันจาจิตของเราพอรู้ว่าอะไรดีอะไรทั่วอะไรผิดอะไรผุ้ซึ่งมันจะรู้ก็มันขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของจิตคนเรานี่มีแต่เพียงความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักทั่วที่เรารู้ดีรู้ทั่วโลดผิดโลดผุ้ก็อาศัยการสุขสนอดลนเล่าต้นจำเพ่อแต่ปู่ย่าตายายเลี้ยงนางนม ในติดฝนโอบรมมาจนกระทั่งใหญตัวเป็นตัวของตัวเองได้ในตัวเป็นตัวของตัวเองได้วราเรียนหนังสือบ้างทำงานบ้างสติปัญญามันก็เกิดขึ้นโดยประสบการณ์ยิ่งมีสังคมมีการงานกว้างวังเท่าไหรก็ยิ่งเก่งยิ่งปลาดหนักตัวปัญญาที่มันเกิด ข, ขึ้ขโนจากการติดฝนอบรมทีนี้นถ้าเรามาตั้งใจฝึกสมาธิกันอย่างแท้จริง เมื 1> 1ส่สัิสัมปจนะมีพลังเก่ละนิตใจมั่นคงมันก็ยิ่งกวิเศษสติยิ่งกว่าที่เราสุขสมาธิเราไม่ได้ตั้งใจเราผู้สอนก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสอนสมาธิเราถึอเวลาภาวนาทำสมาธินะจิตมันไม่สงบไม่รู้ทำเห็นทำเราได้อะไรเราย้อนมองไปดูเีษของเราอีกที่หนึ่ง เราเก่งในสีนปฏิบัตสิสีนละโ็ตามสีนก็นั้นๆได้โดยเด็ดขาดโดยไม่ต้องอดไม่ต้องทนไม่ต้องฝูนใจความคิดที่จะฆ่ะความคิดที่จะลักความคิดที่จะคอมเสพขีดตาเมสมิจารจางความคิดที่จะทำทั้งหมดโดยาการทั้งตัวมันได้หายไปหมดแล้วมันมีแนวโน้มที่จะสร้างความดีในภายเดียว ในสุกผลที่เรากระตุนได้เกี่ยวกับการปฏิบัติถ้าเราเกิดความมัน่นความขยันวันหนึ่งๆไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิแล้วมันะมนอนไม่หลับนั่นแสดง ว, ว่าเราได้ศรัทธาได้ยิยะได้สติได้สมาธิได้ ก, ดกดัญญาเป็นคุณธรรมที่เป็นวิหารธรรมเพื่ออยู่่อจิตแล้วทำให้จิตตัวศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองตัวศรัทธาเชื่อมั่นในคุณธรรม ต่อความวิริยะอุสาหะเป็นผู้กล้าตายเรากลายเป็นทาหารผู้กล้าตายเข้าโ ส, สนานรบกิเลสก็ไม่จะระทบแตทานมีแต่ความแกลวงกล้าอ า, านรรตั้งใจเน่วแน่ขี่จะปฏิบัติเพื่อละลั้วกระเพศสีท่ทจิตให้บริสุทธิ์ เราเราก็จะกลายเป็นผู้ปฏิปันโนผู้ปฏิบัติอุโยตปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงยายาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติข้อที่อ้าวฟ้าดูยิ่งเห็นจริงสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติข้อที่ญาติลังนี่อย่างไรผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติข้อเอตาพระพุโตนี่คือสาวกของต้นเดชผู่มีประภะเจ้า ผมไม่ได้ชั้นม่ได้หัวจะเป็นสาวกพระพุทธเจ้าได้อย่างไรได้สิไหนเมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติทอดดำเนินตามแนวของพระองค์พระองค์สอนอย่างไรเราปฏิบัติได้อย่างนั้นเราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจา้าราตายมก็เหมือนกันราเอาบนมาเป็นพระมาดาโยมนั่นแหละ ถาพระปฏิบัติดีปฏิบัติข้อก็เป็นสุปฏิปันโนถ้ายอมปฏิบัติดีปฏิบัติข้อก็เป็นสุปฏิปันโนแต่โสดาซึงเป็นกระหัสก็มีผลเสียไปที่นี้พระเจ้าพระสงฆบวชแล้วไปตกนรกก็มีผลเสียไปในนรกใจาาท่้นเราูกมาลัยโสดาจ้าไว้หวเลยก่อนเข้าสุการ มีเสาพันลองรับหัวท้ายเลใจเท่ากอดตา น, นี่มันจะแข็งสัดเียงใดผ่าจีวรผ่าสบงองของพระจีธรรมบารมีไปลงนรกแล้วไปผาดไว้ตรงนั้นผ่อนใจใจจนอ่อนลงมาจนสดเพื่อนดินะดูสิพระเจ้าก็สงยังดสดนรกเร็ม ยโยมตกตะลุกได้ตาตกตกตะลุกได้เหมือนกันถ้าปฏิบัติไม่ดีไม่ถูกต้องสำบาตรต่ำต่ำดีอยากโยมปฏิบัติปฏิบัติพ่อตเป็นสุปฏิคันโลได้ถ้าปฏิบัติปฏิบัติท่อตกเป็นสปฏิคันโลได้เพราะฉะนั้นคุณแม่คุณหญิงอย่าพากันน้อยอดน้อยใจบางคนอย่าหั ว, วเป็นพระโอ้จะต่อร้องให้ มหาสารีรัศมีกรมรับกองว่าตัวเป็นนามภิสุลีปมีผมไปในรู้จะดิ้ล้นไปทำไมปวดใจกันนะั่นแหะมันดีดีหิห้าปอนนั่นแหละจะงวงฐานให้เกิดเป็ น, นามภามดีรักษาให้มันบริสุทธิ์สะาดผานใจให้มันมัน่นคงต่อการที่จะไล่ตัวสะเพรืดด่ีอย่าไปมองหาโทษคนอนื่น มองดูตัวตัวของเราศีลที่ได้สรมัสทานไปแล้วบริสุทธห้างพปนเตบริสุทธ์ิี่มังคาเลตัดพอท่านทั้งหลายจะจำได้ไหมว่าเราเป็นศีลที่บริสุทธิ์โดมีศีลบริสุทธิ์จมีความแกล้วคราอาหารโตร่งเผยไม่มีที่รับที่แก ตรงไปตรงมาความรับในวงการของนักปฏิบัติไม่ดีมีแต่ต่อโขยตอนนี้หน้าใจปกปิดความรับของตนเองไม่ต่อโขยให้โมให้ก็น่ารู้โมก็ น, น่าใจว่าเหลือได้อย่างไรมันก็เหมือนกันกับคนที่เป็นมะเร็งอยู่ต้นขาไตลมขาดเดิดนกระเด็นกระเด็นไปหาหมอคุณป็นอะไรขาคณเป็นแผลลูกเป็นอะไ ร, ะ ไ, รไม่เป็นอะไรหรอก แองอย่างนี้ไม่ยอมเปิดเผยความคิดหมอก็ไม่สามารถจะรักษาได้เราจะนั้นจิตใจและความตัดสินใจที่ทำกานตัวมันเป็นเมื่อรเป็นโรคที่ยึดและเป็นโลกที่มันจะโลติดต่อได้เราจะนั่นถ้าเราไม่เปิดเผยไม่แก้ไม่หันมอปวดแกไขอไม่แก้ไขตัวเอมันก็กปนแสเลือดดำอยู่ทด้แบบตรงกับเท่าซึ่งทีนี้ วันนี้เรเห็นว่าเป็นเวลาอันพอสมควรปวดไปปวดไปตองมันตาไปตองปวดตองตัวเองตององให้น้ำตาไหลแต่ตุนตังลำพังแค่ตายเพราะฉะนั้นจึงต่อโยติในการบรรยายทำเพื่อเพื่อนระดับสติปัน ญ, ญาของท่านทั้งหลายเชิงแต่นี้ในท้า ย, นออน า, นนายที่สุดนี้ความนาตุนฤทธิ์นัตณาไตรที่เกิดขึ้นในจิตของท่านนั้น จงเป็นคุณธรรช่วยฝกมันวิถีิให้ดำเนิมไปสูทางปฏิบัติอปฏิบัตเป็นัิันโนอุปปสิปันโนญาญาปิปันโนสาเีิปันโนแต่สำเด็จมักผลาตามที่ปนรนาโดยทั่วทุกท่านเคยเยอุาสะอุปาสะอุปาสะ พระเจ้าจะนั่งสมาธิปฏิบัติดู้าลาภุสพระเจ้าลาภามาเจ้าล า, าลสงฆพระเจ้าขอให้ปีติดดงบังเกิดในกายพาวานจากภูตพวาน พ่อไปเจ้าในการบัตรนี้ด้วยเถิดพูดธรรมมูสังฟูพูดธรรมมูสังฟูพูดธรรมมูสังฟูและพูดเจ้าพ่อทำพ่อสูง ดูที่จิตของข้าพเจ้าแล้วดูความรู้สึกสำนึกผิดทอดทั่วดีพอใจาจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาให้เจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิ ตื่นเบิบานมีสติปัญญาด้วยธรรมตามความเป็นจริงในกาลปัจจุบมตอนนี้ไเกินตั้งใจนั่งสมาธิอาจารย์ครเจริญทั้งหลายณโอกาสนี้ เป็นเวลาที่เราเจะได้นั่งสมาธิปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงส์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายแห่งการปฏิบัติธรรมของศูนย์สมาธิวิปัสนาวัดป่าสารวันแต่ความจริง วัดว่าแต่ละวันถึงจะตั้งศูนย์ก็ตามไม่ตั้งก็ตามเราที่สู่ตรงสา ม, มนเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่แล้วที่เราต้องมาตั้งศูนย์เสริมกันอีกครั้งหนึ่งนั้นก็เพราะเหตุว่า เป็นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนผู้ที่มีความปรารถนาดีในการที่จะปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็นสุวปฏิปันโนผู้ปฏิบั ต, บติเพื่อเป็นสาวกที่ดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุเทธเจ้าเราเองได้จัดตั้งศูนย์ขึ้น เพื่อประกาศเสยแรกธรรมะในเกียรติคุณของครูบาอาจารย์ตลอดเกียรติคุณของวัดและพระสุส่งสามเณรถึ่งเป็นผู้ปฏิบัติีปฏิบัติทอซึ่งมีความปรารถนาดีต่อวัดและพระศาสนาสืกปาเป็นกระทั่งปัจจุบันนี้ ดันั้ น, นโอกาสนี้ <c oughs> จิงขอถือโอกาสเปสืดศูสมาธิวิปัสนาโดยการนำท่านทั้งหลายนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นการปฏิบัติสมาธิภาวนาในท่านั่ง ในเมื่อเรานั่งลงไปแล้วํำหนดรู้อารมณ์จิตของตัวเองในภาพระพุตธเจ้าก็อยู่ที่จิตของเราพระธรรมก็อยู่ที่จิตของเราพระสงก็อยู่ที่จิตของเราพระพุทธเจ้าก็คือจิตรู้ของเราพระธรรมก็คือจิตที่มีความรู้สึกนสนุกจิตออดตัวดี พระสงฆ์ก็คเคยเจตนาตั้งใจเจรละคานทั่วสรรพสิ่งอยู่ตลอดเวลาจิตของเราเป็นพระพุทธเจ้าแถ้าทำพระสงฆ์ด้วยกันแล้วทุกคนแต่ว่าพระพุทธเจ้าถ้าทำพระสงฆ์ของเรามันยังมีพลังน้อยเริ่เริ่มเป็นแสงเิบกี และโผล่แสงหิ้งห้อยเล็กหนึ่งดังนั้นเราจึงมาตั้งใจปฏิบัติภาวนาเพื่อให้แสงพุทธธรรมอ น, นั้นสว่างสวัยขึ้นในจิตโดยการบริกรรมภาวนาโดยการทิจารณาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกายและใจและจิตของเรา โดยการตามรู้อารมณ์จิตของเราโดยความมีสติสัมปชัญญะ <c oughs> <c oughs> ขอบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าการทำสมาธิภาวนานี้เพื่อฝุกฝนอบรมจิตให้มีพลังงานคือสมาธิควนามตั้งมั่น มีสติสัมปชัญญะมีพลังแก่ก้าว่องไว้ต่อการรับรู้สถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมแม้ว่าเราจะภาวนาทันจิตให้มีสมาธิลึกซึ้งสักเชียงใดก็ตามโยกงวงไม้อยู่ที่เพื่อ ทำให้จิตมีความมั่นคงต่อการทำวามดีมีสติสัมปชัญญะพิจาราให้รู้รอบขอบ้อไม่ใช่ปฏิบัติอย่งงงางโกงง่ายมีอยู่กันที่ตรงนี้ส่วนเรื่องกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้น อย่าเพิ่งไปพยายามลักให้มันเสียเวลาแต่เรามาสร้างพลังสมาธิคือความมั่นคงติปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบรู้ให้มันเกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้เผือทำจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้เตืนผู้ดูกาน ลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ตกอฟานจิตสงบนิ่งสว่างไสวใสสะอาดเหมือนกระจกเราโมยจิตของท่านผู้ใดเป็นอย่างนั้นเราสามารถที่จะรู้ว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมจิตที่เป็นพุทธะนั่นมันเป็นอย่างไร เมื่อพุทธายังไม่ปรากฏเต็นทัดเาราก็ต้องพยายามปฏิบัติเรื่อยไปเมื่อจิตมีความมั่นคงมีสติมั่นคงความสว่างกระจ่างแจ้งมองเห็นสิ่งต่างๆมันจะบงังเกิดต้นเอง หากเรายังทำสมาธิอบรมตสติสัมปชัญญะยังไม่ดีพอหรือยังไม่มีพลังงานพอนที่จะใช้กานได้แม้วเราอยากจะรู้ตะเห็นอะไรมันก็เหมือนคนตาบอดคนตาบอดมองไม่เห็นอะไรแล้วมันจะไปรู้ไปมองเห็นอะไรได้อย่างไรข้อที่ฉันได้ จิตที่ยังเมื่อดมนปลูกจิเลสทั้งหลายมันปิดบังปลูความปรารถนารามกมันปิดบังอยู่ภายในจิตแล้วมันก็เมื่อดมิดไม่ให้เรามองเห็นสิ่งใดๆตามความเป็นจริงมันต่อจะไปมองเห็นใตสิ่งที่เราพู้เจ้าตราดทิ้งแล้วยิงหลาดยศสันเสริมสุดเป็นต้น อันนั้นเป็นสิ่งที่เระพุทธเจ้าท่านตลาดิ้งหมดแล้วทีนี้เรา ม, ามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของดีวิเศษเอ่ยึดแปลารสนาอยู่ในสิ่งนั้นเท่านั้นความปารสนามันก็ปิดบังดวงตาไม่ให้มองเห็นธรรมอันละเอียดคือไม่ให้มองเห็นธรรมอันถูกต้อง มองไปที่ไหนก็เห็นแต่ลูกเพียงตรีลดสัมผัสธรรมารมเป็นทินารักใข่ออใจส่วนดวงกิตที่สะอาดตวางสงบเราจะมองไม่เห็นก็เกเรตเหล่านี้มันปิดตังดังนั้นการปฏิบททัติธรรมโดยคำสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมมีกฎเกณฑ์ที่เราควรจะเอาใจใส่ศึกษาให้เข้าใจกฎหมายปกครองบ้านเมืองก็ยังมีแม่บทแม่บทของกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปกครองบ้านเมืองนั่นเป็นตัวบทกฎหมายศาสนาบท หลักของการปฏิบัติและคขั้นตอนก็ต้องมีตัวบทตัวแม่บทของศาสนาพุทธคืออะไรใครรู้ไหมเรจาจะดันต้องพยายาณ์ธรรมความเข้าใจตัวแม่บทของศาสนาพุทธอยู่ที่มนุษยธรรมมนุษยธรรมอันนั้นคือศีลห้า สิ้นห้าข้อนี้แล่เก็นแม่บทเป็นกฎเกณฑ์ที่ชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็จะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามแม่บทนี้ไม่ได้อย่าไปกล่าวถึงที่เราจะต้องปฏิบัติให้มันได้มรรคผลนิพพานไม่มีทาง ศีลห้าไม่ดีความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นศีลห้านี้จึงเป็นคุ ณ, ณธรรมปรับเพื่นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แม่เ้านางทีและกิสุสองสามมณเฑน ย, ยังมีการด่าตนันฑิติเตียนกันแ่งโกกัน แล้วก็เกิดทะเลวิวากันขึ้นมาเพราะไม่มีศีลห้าศีลห้ามันไม่บริสุทธิ์จึงด่ากันได้ตำหนิกันได้เตียนกันได้บางทีใครๆทําอะไรขึ้นมาก็ไปเดือด้อนถึงตัวเองกินข้าวอิ่มแล้ว เราออกมาคอนได้ยินก็ไปเดือดร้อนเขาเราอยู่ที่พอที่ปากเขามีโล้เสธเว่าตัวเองนี่ไม่มีศีลห้าจึงไปเกี่ยวยกโทษไปถือเรื่องเล็กๆน้อยๆเอามาเป็นปัญหาให้เกิดเรื่องต้องตกเขียงกันเราจะนั้นหลักการปฏิบัติที่นี่ อาตมะจึงย้ำย้ำย้ำอยู่ที่เศนห้าข้อเท่านั้นทำไมจึงต้องย้ำอยู่ที่เศนห้าข้อเพราะบริวารของอาตมะยังไม่เลิกทะเลาะกันพวกนี้เศนห้าไม่บริสุทธิ์สะอาดแล้วมันจะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้อย่างไร เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องย้ำยู่ที่ศีลห้าใครจะว่าหลวงตาพบไม่มีภูมิก็ตามใจและพิจนารณาดูแลบาปกรรมทั้งหลายที่เราทำลงไปนั่นไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการปฏิบัติศีลห้าที่จะต้องไปตกนรก บอว่านี่พวกพันทั้งหลายยังไม่ได้กสมาทานสีแปก็รับทานเข้าเย็นกันอยู่บางคนแก่จนจะเข้ากโลงแล้วก็ยังอุตส่าห์เอาแป้งมาปัดหน้ายังแถมเจีคนข้ยุทาปากเข้าไปด้วยก็ยังได้ไม่เห็นจะไปตกนรกใครจะประดับตกแต่งจะทานข้าเย็นด้วยเจ้าก้อนลำขับร้องกระโจนดนตรี ดูการและเล่นต่างๆก็ดูได้ทำได้แต่ไม่ไม่มีพ่อถึงต้องตกนรกถ้าหากว่าใครละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งตกนรกทันทีนี่คือแม่บทของศาสนาพุทธกันที่ตรงนี้ต้องพากันทำความเข้าใจให้ดี แต่เากว่าผู่บทในพระพุทธศาสนานี่ไม่สังวรในศีลห้าข้อดี <c oughs> ปฏิบัติศีลห้าข้อนี้ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแม้ว่าเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลสิบสองร้อยี่สิบเจ็ดหรือสิบแปดมันก็ทำพระตัวแม่บทที่เป็นพื้นฐานมันไม่มั่นคง และฉะ น, นั้นเราพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราละบาปละบาปละอย่างไรขอละทีเสียนห้านันเดะใครไม่ทาผิดเสียนห้าข้อใดข้อหนึ่งได้ชื่ว่าละบาปได้เด็ดขาดเมดื่อใดมาละบาปได้โดยเด็ดขาดแล้วผลนพ้มของบาปมันก็ไม่มีสิ เมื่อวานนี่ทุบหัวปลาต้มยำรับทานอยู่แต่วันนี้จุดแล้วแล้วประโยชน์ต่อไปจนกระทั่งวทวดทีดบามันก็มีอยู่เพียงแค่นั่นแหละเพียงแค่ทุบหัวปลาเพราเราไม่ได้ทุบมันอีกนี่พูดง่ายๆฟังให้มันเข้าใจ เราก็เอาไปพิจรารณาตวาัวต้าศีลของตัวเองว่าเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีไหมก่อปฏิบัติได้ก็แผนเป็นแผนการของกันตัดผลข้มของบาปไม่ให้มากขึ้นมีเท่าไหร่ก็อยู่เพียงแค่นั้นเพ่อได้นอกใ จ, กจปกนการตัดคอนผลข้มของบาปแล้ว ยังเป็นอุบายบัญญัตพลังของกิเลสให้ลดน้อยลงหรือหมดไปปฏิบัติอย่างไรเราท่านเมตโฌจัดต้นเล้ศสินข้อ้านาฏิบาตสมุสาวะเราก็ใจ้าเาไม่ฆ่าไม่ด่าไม่ดีเราก็ยศทันทีถ้าจิตใจมันโลภมันอยากได้โนอมดาได้หนี้ เป็นทางที่ได้โดยทอดทิ้แล้วให้มันโลภไปอยได้อะไรแกแวงหาเอาด้วยลำแข้งแต่ให้มันถูกต้องตามศีลและธรรมกฎหมายแต่ว่าอย่าให้มันผิดสีงก่อดินาทานแต่เจ็ก้าทั้งหลายเกิดรักเกิดข้อกันอย่าไปรักหลอกล่วมเกินจิตใจของพ่อของแม่ผูกปกครอง งดเว้นกันที่ตรงนี้ใครนึกอยากจะโกหกตอกรองก็นึกถึงเี้ยข้อมุสาววาใจมัวเมาในการเล่นหวยบัตรหอยเบอร์เล่นการพนันสุรายาเมาตอนนึกถึงเี้ยข้อสุรายางดเว้นทันทีต่้งใจเอาไว้ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะหยุดฉันจะงดฉันจะเว้น มันเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ต้องตั้งใจให้มันแน่วแน่ว่าเราจะละบาปตามคำสั่งของพระพุทธเจา้าเราละไม่ได้เว้นไม่ได้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรนี่เวลแัวแกงของการละความตั่วหรือละความบาปมันอยู่กันที่ตรงนี้ ตาละบาปได้ตามโกรเกณฑของเ้นหาแล้วหายห่วงไม่ต้องไปตั้งวลอะไรอีกเมื่อมีเ้นหาบริสุทธิ์บริบูรณ์มันก็ตัดกรรมตัดเวรการตัดเวรก็คือว่ายุติการทำกรรม ยตีการทำกรรที่ชั่วที่จะทำให้เกิดเวรอาคาธพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันมันก็หมดเท่านั้นแต่ว่าสิ่งใดที่มันจะเป็นกรรมเป็นเวรที่ชั่วจะให้ผมลายประย์มันทันทีไม่ต้องไปหาพระที่ไหนมาเสกมาเผาให้หมดทรรหมดเวรมันไม่มีทางหรอกการตัดกรรมตัดเวรก็คือการหยุดทำบาปตั้งแต่วันนี้ เดี๋ ynn ี้วินาทีนี้อเล็กนนเป็นการตัดตำตัดเวนเพราะอยนั้นหลักของการตัดตำตัดเวนมันอยู่ที่ตรงนี้ว่าเราตัดตำตัดเวนได้เด็ดขาดว่าจิตของเรานี่มันสงบไปแล้วห้าสิบเปอเซ็นแล้วนะโยมนะมันสงบอย่างไรเพราะมันไม่มีความบาดละแวง ว่าคนโน้นเขาจะมาทำร้ายคนนี้เขาจะมาทำร้ายผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ตาดีเนี่เป็นผู้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อชีวิตของคนอื่นชีวิตเลือดเนื้อในกายของเราสละทิ้งหมดแล้วแม้จะเข้าไปในป่าเสือมันก็ไม่กินเพราะเสือมันไม่อยากกินของที่เขาทิ้งแล้ว มันจะกินตัวของที่เขาหวงเท่านั้นเองเราะฉะนั้นเรามาเป็นลักปฏิบัติต้องทำความเข้าใจในแม่บทของสีลนเลิกระเบียบที่เราจะเป็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตั้งใจ ทำสมาธิภาวนาโดยวิธีการต่างๆที่เราคล้องตัวในทำนิทำนานมาแล้ว <c oughs> ให้จิตมันมีความมั่นคงนี้สำหรับพิธีการทำสมาธิในวันนี้แต่ขอแน่ๆเอาไว้สองวิธี เวทีหนึ่งท่องบริกรรมภาวนาผู้โตผู้โตผู้โตผู้โตผู้โตเอาไว้ทุกลมหายใจไม่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ยืนเดินนั่งนอนรับทานเดินทำผู้คิดท่องผู้โตผู้โตผู้โตผู้โตผู้โตได้ตลอดเวลาเวลาเราคูดมีสติเวลาเราคิดมีสติ เมื่อเราท่องพุโทโธแล้วมันเป็นอุบายทันจิตให้มีสติสมัชยชันยะแล้วก็มีพลังของสมาธิบางสัวขึ้นจิตเป็ความเข้มแข็งสตีป้องไวรู้ทันการต่อไปเราอาจจะไม่ท่องพุโทโธก็ได้กาหนดตามรู้ยืนเดินนั่งนอนรับการดื่มทำกูดคิดทุกปณจิตทุกลมหายใจเจนกระทํามันเป็นเองโดยอัตโนมัติ ทีนี้ประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมาทำสติกำหนดตามตัวการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นปบายวิธีเปิดถาดจิตของเราให้มีความสำรวมเมื่อเรามีสติรู่กับสิ่งเหล่านี้จักปุนาสังวรสาธุเราก็ได้สำรวมตาโสาุโสเตตสังวรเราก็ได้สำรวมหู ตาเนนัสังวโรสาธุเราก็ได้สำรวมจมูกเขียวหายาสังวโรสาธุเราได้สำรวมลิ้นตาเยนัสังวโรสาธุเราได้สำรวมตามะนาสาสังวโรสาธุเราได้สำรวมจิตการสำรวมนั่นคือเจตนาตั้งใจคอยละ แ, แลวะระว่ง เป็นอุบายให้เกิดสติสัมปชัญญะเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตมีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งเล็กย่อมเพิ่มพลังงานขึ้นมาทำให้ศีนบริสุทธิ์สะอพระเรามีสติคอยระมัดระวังอยู่อาเห็นรูปมีสติโอได้ยินเสียงมีสติ จะมูได้กินมีสติเล่นได้ลดมีสติโดยเฉพาะเรืองรีนได้อาหารที่มีรสโทกาาไม่โูกาไม่สำคัญถ้ามันอร่อยก็กินให้มันมากๆแต่มันไม่อร่อยก็กินแต่น้อยๆอยา่าไปเครียดน้อยอกน้อยใจนะอย่าบ่นอาการแค่นี้สายโฟกอสสัมผัสก็ดีสติ ใจไม่คิดต่อนี้สติเอาสติตัวเดียวคอยกำกับระมัดระวังอยู่แล้วเมื่อเรามีสติสองวันระวังอยู่กับกับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอุบายวิธีให้กายวาจาแล่ใจของเราเป็นปกติกายปกติไม่ข้าไม่รัดไม่ขโมยไม่กระเพื่อขอีดเกตาเมฆมิถ้าจานไม่เดินหน้าเมา ว่าจของเราไม่พูดสดไม่พูดโอสเี่ยดไม่พูดคำหยาไม่พูดเอ่เอเเจอเลวไหลใจของเราไม่เล่งเล็งไม่ก้มบัดของคนอื่นไม่ยางใจส้สมบัตของคนอื่นไม่พยาย า, า, ามอาพาธเียดแคนใครมีใจมีความเห็นชอบเกี่ยวกัสัมมาทิฏฐิ เห็นว่ามีบุญบาปมีบุญมีสุขมีโทกมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีฝึปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจ็บจอบมีสมาธิมีสติปัญญาได้ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามกฎแห่งความเป็นจริงคือรู้อนิจจงทุขังอนัตตารู้ทุกขโมทัยนิโรธ เมื่อจิตมีพลังงานดีแล้วมันจะโลภของมันเองไปหมดกันเลยแต่นี่เราปฏิบัติยังไม่ถึงยังไม่ได้แต่เราอยากจะรู้วมากโลภมากแค่พอได้แต่คุยกลายเป็นคนตาบอดคุยสูงเราจะนั่นเราจะหัดเป็นคนตาบอดคุยสูง นักปฏิบัติทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มีแต่คนตาบอดคุยสูงปู้ทิ่ตัวเป็นนักปฏิบัติเป็นกรรมฐานาต่อเราปฏิบัติสมาธิสมาธิยังไม่เกิดเจตยังไม่เป็นสมาธินี่เราไปคุยไม่ได้หรอก ถ้าคุยก็มีแต่เรื่องโกหกมนุษย์ในโลกนี้ใครหนอจะโกหกในแน่เมียนเกินพระถ้ า, าสีดำดำไม่มีเพระฉะนั้นให้ระวังโตูบาอาจารย์ของเราท่านย้ำนับย้ำหนาว่าเอาสมาธิให้มันได้เอาสมาธิให้มันได้ เด็ดตอนทาสมาธิทำอย่างนี้แล้วเอาไปลองทำลองดูถต่ใครไม่เชื่อไปรับฟังไว้แล้วไปทําไว้ลองดูวันนี้ก็มีไม่ทีคนหนึ่งไถามว่าทำไมจิตใจมันมีแต่ความปุ้งสั่นมันไม่สองอบสักทีว่าอย่างนั้นสงสัยจะไปโดนใจโกหกมาละมั้งว่าจิตมันปุ้งสั่น มันเป็นอย่างนี้ก่อเศรษอบรมสมาธินเศรษฐ์ในหมายทั้งศีลที่บริสุทธิ์อย่างต่ำเศษห้ากายวาจาบริสุทธิ์ปราบประจากโทษเมื mm ่อ hmm. มานั่งสมาธิแล้วจิตก็สงบเป็นสมาธิได้งา่ายสมาธิที่มีศีษเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยมันทําให้เกิดปัญญา จีได้คำว่าปัญญาที่เกิดขึ้นมานี่มันไปรู้พระไตทรทีิดกจบทั้งแปด0มืนสี่พันก็ทำมาถัดอย่างนั้นหรือเปล่าจะไปเข้าใจคิดอยางนั้นปัญญาที่มันเกิดขึ้นก็เป็ความคิดที่มันคิดไม่หยุดนั่นเองจะเป็นความคิดอะไรก็ได้ที่มันคิดไม่หยุด เราไม่ได <iyorsun? S 2> ้ต in ั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมาตั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมาเพราะที่เราไปเข้าใจจิดว่าความคิดนั้นคือความคลุงตานแล้วเราก็จะจะให้จิตมันหยุดคิดถ้าเราติดความสงบติดความนิ่งของจิต แต่ถ้าจริงๆทำบริกรรมภาวนาผู้โตผู้โตผู้โตผู้โตผู้โตที่ท่องเอาไว้นั่นอ่ะมันอะไรเสียอีกก็คือความคิดนั่นแหละเหตุใดมื่อภาวนาผู้โตผู้โตหัดคิดผู้โตผู้โตผู้โตผู้โตผู้โตดมกล่อตัวจํานิทานานแนวสมาธิมันเกิดเจอพอสมาธิมันเกิดขึ้นมาเล็กหน่อยมันก็ทิ้งพุ้โตที่มันตั้งใจคิดส่วนนั้น แล้วไปเครียดอย่างอื่นขึ้นมาความเครียดอย่างอื่นนั่นก็คือความเครียดเหมือนกันกับพุโนั่นแหละเพราะฉะนั้นมเมื่อจิตมีความเครียดเกิดขึ้นมาเองปล่อยให้มันเครดไปเลยปล่อยให้มันเครดไปแล้วเอาอย่างนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าเอาเอาเอาเอาไปิดเครีไปถึงไหนฉันจะท่านใจดูแก คิดไปเนื้อไปไต่คิดไปนรกคิดไปสวรรค์คิดไปบาศคิดไปทองคิดไปเขียวหายเขียวแสกเขียวสา ย, า ย, า ย, ายคิดไปรับไปขโมอยไปตีไปปลงตามมันไปตามมันไปลู่มันไปมันจะไปถึงไหนแต่ถ้าเราความคิดนั้นเป็นอารมณ์จิตท่านหลอปฏิตาร ล, ล, ล, ล, ล, ล, ลู่มันไป เมื่อสติสามกัญญะตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นผลมันจะเกิดขึ้นเป็นสองอย่างถ้าสติตามพันความคิดทุกขณะจิต ค, คิดไปรูไปคิดไปรูไปคิดไปรูไปตัวคิดไม่หยุดนั่นเป็นตัววิทกสกติรู้ร้อนในขณะที่จิตมีความคิดนั่นคือตัววิการ เด็กคิดไม่หยุดเราคำนวณ ด, ดูมันเรื่อยไปแต่เดี๋ยวกี้มันก็บงังเกิดขึ้นคิดไปดูไปคิดไปดูไปกายก็เบาจิตก็เบานั่งหลับเข้ากายก็สงบจิตก็สงบมันสงบอย่างไรมันคิดดูไม่หยุดมันสงบอย่างไรเอาความที่ไหนมาพูด มันคิดตัวมันสงบเพอาจิตตัวรู้สติตัวรู้มันเป็นปกติไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายในความคิดนั้นคิดแล้วก็ ป, ปล่อยวางไปแล้วอารมณ์กับกจิตมันดูเติมซึมซาสติที่ไปกําหนดรู้ดูที่ความคิดที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่น อย่างแน่วแน่มั่นคงโลภทันทุกภายนิตเขาเรียกว่าอะไรจิตตาอนุปัสนาสติปัฏฐานไม่ได้หรือพาวนามาจนจะตายงดง้ไม่เข้าใจความคิดที่มันคิดอยู่ไม่หยุดแต่ไปแต่สร้างอยู่ที่ความคิดกำหนดรู้ที่ความคิดตลอดไป นี่แหละตัวนี้แหละเขาเรียกว่าทรมาลูกปัจฉนาสติปัฏฐานนักปฏิบัติทั้งหลายโง่มานานแล้วเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจซะให้ดีผ่านอาจารย์เสาทานันผูกเป็นสติเตือนใจไว้ว่าอ้อเมื่อก่อนนี่จิตภาพมันสงบสว่างสวยัยแต่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ความคิดมันไม่สงบสักที นี่อาจารย์ใหญ่เปอดคำทีเอาไว้แบบนนี้ทำไม้ลูกศิษย์ไม่จดจำคำสอนของอาจารย์เ อ, อ้อะไรกันั้นเรามาสอนกรรมฐ า, านอยู่นี่เสียที่สิตดีได้ที่จิตีแล้วจึงหาคนอริอรีไม่ได้เพราะไม่เชื่อคูบาอาจารย์อาจารย์ใหญ่ท่านว่าเวลานี้จิตข้าไม่สงบมีแต่ความคิดพอถามกันว่าจิตมันเติมหรืออย่างไร เอาถ้ามันเอาเตจนิ่งสงบอย่างเดียวมันก็ไม่กล่าวหนาสิทนบายอย่างนี้เลยปัจจ า, า น, นเราเป็นลูกเจ็บของตรูบาอาจารย์สังเกตตัวให้ดีถ้าขณะใดจิตของเรามีความคิดปล่อยให้มันคิดไปบ้างแต่ให้มีสติกำหนดตามตัวไป เรากำหนดตามดูไปแล้วถ้ามันนิ่งว่างก็ปล่อยให้มันว่างอย่าไปคิดอะไรขึ้นมาอย่าไปตั้งใจคิดแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาเองแล้วให้ดูมันทันทีไล่กันไปอย่างนี้โในธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์ติดรู้สติมีสิ่งระเลึกจิตของเราก็จะมีความมั่นคงต่อการกดจ้องดูอารมณ์ที่เกิดตับจู สติสิมปชัญญาก็รู้กลมอยู่อีกจิตไปเองสติกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่ ง, งเรียกว่าเอกัตถตาแต่เิดจำเนินอยู่ในระดับนี้มีความมั่นคงไม่วันไหวก็ใดชานที่หนึ่งเรียกว่าปฐมมัชฌาน จฉะนั้นเจตใจข่านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีมันก็อาศัยกำลังองค์า น, นั่นหละเป็นเครื่องหลุนแตเดี๋ยวเยวลาเราพิจารณาไปบริกรรมภาวนาไปตัจิตมันเิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรารู้สึกไม่พอใจบางครั้งจะให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดนั่นคือมันได้วิตกวิตกก็คือความเิด ความคิดอันใดมีสติรู้พร้อมในขณะจิตนั่นเรียกว่าจิตใต้วิตกวิจารเป็นองค์ประกอบของฌานเป็นองค์ที่หนึ่งและองค์ที่สองของฌานทีนี้ว่ามีทานประกอบด้วยองค์หนึ่งองค์สองแล้วจิตมันซึมซาบในอารมณ์สองฌานนั้นตั้งแต่มีความสุขมีความเป็นหนึ่ง จีตกันหนดลอารมณ์ติตตัวเคียมันเดเคียตัวนั่นนันนนนนนนนั่ดูไปดูไปตะเพินไปเพินไปเพินไปเพินไปสรุกไปสรุกไปวอบางทีติตางตัวเนี่ยพอดูไปเพินไปเพิ่นไปมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วมันเกิดสางขึ้นมาแล้วมันฉายหนังให้ดูะป็นเน็ย จิตมันฉายหนังให้ดูก็เป็นเมื่อมันสว่างสบายแล้วกระแสมันส่งออกไปข้างนอกบางทีมันก็ไปเป็นจอสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าแล้วมีรูปภาพอะไรต่างๆขึ้นมาในขณะนั้นจิตของใครไปฝังแน่นหรือผูกพันยกับสิ่งใดๆเมื่อก่อนเข้าสมาธิมันก็จะแสดงมโนภาพ เป็นตนเป็นตัวขึ้นมาให้มองเียนเหมือนกับเรานั่งดูโทรทัศกันเนี่ยบางทีคนที่มีโทคดีก็เห็นตัวเล็กไหลมันมาไหลไหลไหลไ ห, ลหลออกจากสมาธิเราวิ่งไปซื้อวันซื้อดอกไห้พยามามคิดารณาดูให้ดีเดอ้อนักปฏิบัติทั้งหลายมียบาศิกาสาวๆคนหนึ่งมาจากคุณเทพ มาถามว่าเมื่อก่อนนี้หนูนั่งสมาธิจิตสงบสว่าอยู่มาวันหนึ่งภาวนาไปแล้วมันเห็นเลส่สวยเบอร์เล่หสามตัวออกมาพอจากสมาธิมาแล้วก็เลยไปเที่ยวหวยผูกจริงจริงทีงนี้พอเสร็จแล้วภายหลังมาภาวนาแล้วมันไม่เป็นอย่างเก่าเลยเขาก็เลยเกิดสงสัยว่าทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้น มันก็เต็นอย่างนั้นสี่ตัวไปทำผิดศีลคนซื้อหวยซื้อเบอร์นี่คนขายก็อเกดกฎหมายคนซื้อก่อเกดกฎหมายในหมดไปขามอยโซ่มันก็เป็นอัจฉริยะฐานศีลก็อัจฉริยะฐานมันไม่บริสุทธิ์มันวีบัติแล้วมันจะเข้าบรราได้อย่างไรแหมจะไปเก็บเงินเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเรื่องอื่นนักปฏิบัติควรจะได้พิจารณาใมันซึ้งซึ้น เราฝูดมามากแล้วต่ <c oughs> อไปนี้เรามาตั้งใจบริกรรมภาวนารมสมาธิให้จิตมันสงบนี่เป็นสมาธิขอให้ทุกท่านกำหนดบริกรรมภาวนาโพโตโพโตโพโตโโตโพโตไว้ในใจ สำหรับผู้ที่หัดภาวนาใหม่ถ้าโทผพ้โทผ้ตมันเียงพโทไปคิดอย่างอื่นก็ให้ถึงมาหาพู้โทและ่องพโทผโทพู้โทไปใหม่สำหรับผู้ที่ภาวนาพู้โทมาจำคล่องตัวจนเกิดความคิดอ่านขึ้นมาแล้วลอยให้มันคิดไปแต่สังเกตูถ้ามันอยู่ในลักษณะที่เบากายเบาใจ อารมเป็นที่สบายก็ปล่อยให้มันไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้หนีเพ่อคล้องการปฏิบัติผลิติตรงนี้ทีนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นตนายเบาผีเบากายสงบผบีบสงบตัวกันตัวโยกตัวโกลงหรือลมหายใจทำถ้าจะหายขาดไปหรือมีอะไรเกิดขึ้นให้เพ้ออยู่กำลังตัวที่เจ็ดเพียงอย่างเดียว ในชั่วโมงนี้ให้ตัดติมใจเด็ดขาดว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่สนใจต้งนั้นท่านจะดูจิตของท่านอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาไปปูดสิตใจพิจารณาอะไรจนคล่องแล้วตอพิจารณาไปตามที่ตนขนัดก็แล้วกันต่อไปนิจจพุูธนะ